นึ่งขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับวันที่10มีนาคม10มีนาคมตรงวันเสาร์เนี่ยผมไปบรรยายที่ขอนแก่นชื่องานอยู่อย่างปาฏิหารนะครับผมยังไม่รู้หรอกว่าผมจะไปสอนอะไรและจะไม่รู้ว่าเราจะอยู่อย่างปฏิหารได้ยังไงนะครับแต่ว่าจัดโดยพี่ต้อยเนาะพี่ต้อยก็อยู่ในห้องนี้ด้วยค่าบัตรถูกมากเลยนะครับ450บาทเองแล้วก็ใน450บาทเนี่ยเป็นโรงแรมอย่างดีเลยนะ เราก็เลี้ยงข้าเที่ยงด้วยนะครับเลี้ยงข้าเที่ยงมีเรย์สองมื้อด้วยนะครับเอาไปเอามาก็แค่ค่าอาหารนั่นแหละกับค่าค่าห้องประชุมแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรก็ใครสนใจนะนะครับจังหวัดขอนแก่นที่โรงแรมขอนแก่นโฮเทลนะครับชื่อชื่ อ, อการบรรยายทั้งวันนั้นว่าอยู่อย่างปฏิหาระจะมีเวิร์กช็อปให้ด้วยนะครับอยู่อย่างปฏิหารเป็นกุญแจหนึ่งของพลังทางจิตวิ ญ, ญญาณถ้าท่านใดที่อยู่ขอนแก่นหรือว่าอยู่โซนใกล้เคียงสนใจก็ ติดต่อผ่านทางห้องนี้ได้นะครับเดี๋ยวพี่ต้อยก็คงจะเข้ามาหรือว่าเพื่อนจะส่งข้อมูลให้พี่ต้อยทราบว่ายังมียังมีที่นั่งว่างอยู่นะครับจะเป็นกลุ๊ปเล็กๆเนาะประมาณส0บกว่าคนก็ท่านไหนสนใจนะครับ13มีนาคมนี้ชื่อหลักสูตรอยู่อย่างปฏิหารค่าหลักสูตรเพียง450บาทรวมเบรก2มื้อรวมข้าวเที่ยงนะครับจัดที่โรงแรมขอนแก่โฮเทลการเมืองคอนแกันเลยนะครับก็สามารถที่จะไปพบกันได้นะครับ